ข้อความที่น่าสนใจตามเดิมนะครับนี้มาจากป ร, ปรมัตถธีปณีอัตถกถาคุธการนิกายจริยาปิดกนะครับอัตถกาถาอากิติจริยาที่หนึ่งข้อความว่าชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะปฏิบัติตามสมควรแก่ปตินยาข้อความนี้น่าสนใจนะสั้นๆเนี่ยแต่ว่าอธิบายคำว่าสัจจะคืออะไร สัจจะบารมีคืออะไรแล้วเรามีไหมแล้วเราเคยตั้งไหมเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์อธิบายชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะปฏิบัติตามสมควรแก่ปฏิญญา<ม>ใครจดทําให้ท่านะนะเพราะปฏิบัติตามสมควรแก่ปฏิญญานะ ชื่อว่าอธิษฐานบารมีเพราะตั้งใจสมาทานไม่หวั่นไหวในที่ทั้งปวงชื่อว่าเมตตาบารมีด้วยอัธยาศาัยเกื้อกูลในสัพพสัตชื่อว่าอุเบกขาบารมีเพราะถึงความเป็นกลางในความผิดปกติที่สัตว์และสังขารกระทำแล้วตรงนี้ก็จะเข้าใจยากทั้งนี้หนึ่ง วันนี้เอาแค่บารมีเดียววันอื่นคือว่าต่อไปครับเดี๋ยวท่านะอาจารย์ธิบายชื่อว่าสัจจะบารมีเพราะปฏิบัติตามสมควรแก่ปติญญาเพราะว่าสัจจะบารมีนั้นเป็นอ่เป็นหนึ่งในทศบารมีที่ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลต้องต้อ ง, ต, องต้องมีบารมีนี้นะครับท่านจะขยายต่อไหมก็คือนะสัจจวาจานั่นเอง สัจจะบารมีก็คือสัจจวาจาแต่เป็นสัจจวาจาที่ตั้งเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณนะถ้าเป็นของพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าการตั้งสัจจะเพื่อให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือถ้าคนทั่วไปตั้งสัจจะก็อาจจะเป็นเงื่อนไขในการตั้งสัจจะธรรมดาธรรมดาบางคนอาจจะเห็นแก่ลาบแก่ยศแก่อย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จก็ตั้งสัจจะแต่พระโพธิสัตว์เจ้าท่านตั้งสัจจะเพื่อ สัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละหรือพวกเราทั้งหลายจะตั้งสั์จา ก, ก็ได้นะเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานวาจาสั์ของพวกเราเหล่านี้ก็เป็นสัจจะบารมีเมื่อกล่าวปฏิญาณแล้วก็ปฏิบัติอย่างที่ตัวเองปฏิญาณ น, นั่นแหละคนนั้นแหละชื่อว่ามีสัจจะบารมีเหมือนในศีวิราชาดกท่านกล่าวว่าท่านตื่นตอนวันนั้นเนี่ยท่านอธิษฐานเลย ถ้าหากว่ามีผู้ใดมาขอขอศีรษะเนี่ยนะก็จะตัดศีรษะให้ตั้งใจอธิษฐานไว้เลยถ้ามีคนมาขอดวงตาเราจะควักตาให้ถ้ามีคนมาข อ, อเลือดเราก็จะเข้าไปในหีบและให้เอาภาชนะมารองรับได้ทั้งหลยไม่มีการชาติเหมือนตอนนี้นะรับบริจาคเลือดได้นั่นแหละก็จะเข้าไปในหีบให้เขาบีบเอาเลือดออกให้ถ้าเขา ต้องการหัวใจก็จะผ่าหัวใจนี้ให้ท่านตั้งใจไว้อย่างนั้นเสร็จแล้วตกคืนเช้ามาก็มีพราหมณ์คนหนึ่งมาขอดวงตาท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นคนแก่ตาบอดข้างหนึ่งอันขอให้ขอดวงตาข้างหนึ่งของพระเจ้าแผ่นดินด้วยนะชาตินั้นท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อว่าพระเจ้าศรีวิราช ท่านก็เลยบอกดูก่อนพราม์ท่านขอเราข้างหนึ่งเราจะให้ท่านสองข้างนั่นแหละเสร็จแล้วก็เลยชวนพราหม์นี่ยไปที่วังก็ ข, ขึ้นไปที่วังเสร็จในทหารหรือว่าข้าราชการบ้านเมืองประชุมกันหมดเลยอพระราชาจะให้ตาเนี่ยเรื่องใหญ่โตเลยเสร็จแล้วก็ไปทูลอ้อนวอนกันเพื่อที่จะไม่ให้พระโพธิสัตว์กล่าวว่าผู้ใดกล่าวว่าจะให้แล้วไม่ให้คนนั้นย่อมเข้าถึงนรกเหมือนกัน เ, เรื่องนรกมาขว่ะนะเพื่อที่จะต้องให้เสร็จแล้วท่านก็ให้ในขณะให้เขาก็มีหมอหมอคนหนึ่งอ่ะศีวิกาแพทย์น่ะก็คืออดีตชาติของท่านพระอนุนกน็ประกอบยายานี้เป็นเขาบอกว่าหมออย่างเราเนี่ยแค่เอายาเนี่ยนะป้ายไปปั๊บเนี่ยตานี่กลิ้งเลยนะหลุดออกมาเลยถ้าเป็นสมุนไพรพิเศษที่แค่ใส่ปลาย ป, ปั๊บเนี่ยลูกตาเนี่ยถลนออกมาถลนออกมาปั๊บ ท่านก็บอกว่ากล่าวกับพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าพราะองค์อยากให้คืนเป็นปกติไม่ยากเป็นภาระของหมอมฉันเปลี่ยนใจก็ได้นะออยากให้ควักตาเป็นทานเลยพระองคก็บอกว่าโอ้ยชักช้าอยู่ทําไมหมอเหมนกันรีบตัดน ะ, ะตัดแล้วท่านก็ให้ทานเพรา ะ, ะนั้นวาจาสัตว์ที่ท่านตั้งไว้ว่าท่านจะให้ตาสองข้างท่านก็ให้ผู้ที่กล่าวว่าให้แล้วไม่ให้ผู้นั้นย่อมเข้าถึงนรกท่านก็ตั้งไว้ในลักษณะนี้แล้วท่านก็ทําอย่างที่ท่าน ท่านคิดแต่การกระทําของท่านเนี่ยท่านกล่าวว่าดวงตาจะเป็นที่เกลียดชังของท่านก็หาไม่ใช่ไหมท่านไม่ได้กาลังเกลียดหรือเกลียดชังดวงตาแต่ว่าท่านรักโพธิญานมากกว่าคือคนทั่วไปนั้นน่ะเขาอกโอ้โหกล้าขนาดนั้นเลยโหมายใจโพธิสัตว์เขาก็ยังควักตากันตั้งเยอะแยะใช่ไหมเคยเห็นคนผ่าตาไหมนั่นแหละ พระที่อจะมารู้จักองค์เนึ่ง่ะท่านก็ผ่าตาบอกว่าเอาออกมาเหมือนตาปูอย่างนั้นแหละเอาไปวางไว้โอ้โหมันมองเห็นเท้านู่นแหละออกมานอกเบ้าใช่ไหมมันก็มองเห็นเท้านั่นแหละกลิ้งได้อ่ะคล้ายๆกับตาวิเศษออกมากลิ้งอย่างนั้นแหละเขาบอกว่าก็ไม่ได้บริจาคตาเป็นทานซะหน่อยนะแต่ก็ยังผ่าตาขนาดท่านบอกว่าอหมอเขาบอกว่าท่านควรจะผ่านะถ้าไม่ผ่ามันจะบอด ท่า น, นท่านควรจะผ่าเพื่อที่จะรักษาตานี้ไว้ท่านก็ยอมอ่ะขนาดไม่ได้ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าอะไรแค่ผ่าตาเพื่อรักษาให้มันใช้งานคืนยังกล้าผ่าเลยควักดวงตาออกมาทั้งลูกแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะท่านผ่าอยู่สามครั้งทั้งสองข้างด้วยควักตาออกมาสามครั้งอ่ะเป็นไรนะคนทั่วไปธรรมดายังควักตาได้ทีนี้แล้วผู้ที่มีอัิญญาสัยที่บำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุสัมมาสาัมโพธิญาณทําไมท่านจะไม่กล้า หรืออีกในอีกเรื่องหนึ่องอย่างในมูฆะปักขะชาดกหรือที่เราเรียกว่าพระเตมีใบก็บอกว่าราชสมบัติจะเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่พ่อแม่ที่ร้องให้วปัญญาท่านลูกเอ้ยลูกไม่พิการรอกแม่รู้ไม่พิการเป็นคนดีเธอแม่จะได้เป็นที่รังเกียจก็หาไม่แต่ว่ารักโพธทียานมากกว่าท่านก็เพื่อที่จะบําเพ็ญบารมี เป็นอธิษฐานบารมีถ้าท่านตั้งใจทํำยังไงแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่า น, นวาจาศัตว์ของพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านรักษาค่อนข้างมั่นคงมากท่านกล่าวอย่างใดแล้วต้องต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าฝึกการใช้วาจามาตั้งแต่อดีตชาติทั้นวาจาในพระชาติสุดท้ายจึงเที่ยงมั่นคงก็บอกว่าสัจจวาจาของท่านเนี่ยก็บอกเหมือนกับดาวประกายพลึกเนี่ยซึ่งไม่เคยละที่โคจรเลย ได้เวลาปับดาวประกายเพลิกเนี่ยจะมาแล้วไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนดาวประกายเพลิกไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันใดก็บอกว่าท่านจงมีสัจจะวาจายอย่างนั้นถ้าท่านไม่ทําอย่างนี้จะเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไงนี่เป็นพุทธการกะธรรมแปลว่าธรรมะที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้ า, านนะี่ก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ท่านเอจะมีใครกล้าไหมที่จะตั้งสัจจะไว้ว่า เราจะเรียนวิสุทธิมรรคนี่ตราบใดที่เขายังไม่หามเราเราจะต้องไปเรียนทุกวันใครจะกล้าตั้งบางนอกก็บอกอาจจะมีคนกล้าแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่บอกใช่ไหมอันที่จริงนะฮะอันที่จริงอ่าการที่เราตั้งไว้ในใจเนี่ยความจริงน่ะเป็นสัจจะแล้วนะเพียงแต่ล่วงออกมาเป็นวจีหรือไม่อ่ะอันที่จริงะนะน่ะมันเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่หรือครับ เราตั้งใจไว้ว่าอย่างนั้นน่ะแล้วเราทำตามอย่างที่ตั้งใจไว้จะรุกขึ้นตีห้าทุกวันเพื่อที่จะอ่านพรไตรปิฎกสักห้าสิบหน้าอะไรอย่างนี้คือถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้นะก็สามารถที่จะทำได้คือการตั้งใจนั้นบางคนเพียงแต่ไม่เล่าให้ใครฟังเท่านั้นเองเขาก็มีสัจจะในใจของเขาเขามีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงในใจของเขาอยู่เขาก็ทาของเขาได้ก็เหมือนบางท่านนะก็บอกว่า ถ้าใครไม่มีศรัทธาในคําสอนเขาจะไม่ศรัทธาในคนนั้นด้วยเหมือนกันแต่แล้วเขาก็ไม่ไปคบคนชนิดนั้นด้วยนะเขาก็จากเลยถ้าคนถ้าเป็นคนที่ไม่มีศรัทธาในคําสอนกล้าพูดบิดเบือนคําสอนเขากล้าจากคนนั้นถึงจะมีอุปการะกับเขามากขนาดไหนก็ตามนั่นแหละก็มีบางท่านท่านก็ยังทําได้เลยอันั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรนั่นแหละผู้ที่จะสําเร็จมรรคผลนิพพานได้นะคนอ่อนแอผม พิจารณาดูแล้วยากต้องคนเด็ดเดี๋ยวพอสมควรวน ะ, อ, ะองค์ธรรมที่ปฏิบัติธรรมเลยนะทำไมวิริยะจึงแยกออกมาเป็นสี่วิริยะมาจากวีระเรียกว่าการงานของคนกล้าเขาบอกว่าถ้าเป็นวิริยะบารมีก็บอกราชสีเนี่ยเป็นสัตว์ที่อง์อาจในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่คือไม่หวั่นไหวเลยในอิริยาบถ ท, ทั้งสี่นะมันจะต้องสมาทานวิริยะลักษณะนั้น เขาอวิส ม, มะประธานมีสี่อย่างใช่ไหมหนึ่งเพียนละบาบนั่นนะเพียนละบาบเนี่ยใช้าใช้คําว่าละบาบนะพวกเราฟังแล้วธรรมดาไม่น่ากลัวอะไรฟังแล้วหน้าละจะตายไปก็บอกว่าลองละความชอบใจบางอย่างด้วยกล้าไหมนะความชอบใจความติดใจบางอย่างซึ่งเรารู้ไอ้ น, นี่มันบาปนะกล้าละมันไหมล่ะนั่นแหละ สมมติว่าเออบางคนติดรายการละครมากมากเลยบางบางอย่างเนี่ยอุย้ยพลาดไม่ได้เลยถึงเวลาปั๊บเนี่ยต้องต้องเปิดอะกล้าละไม่กล้าไม่ดูได้ไหมถ้ากล้าลักษณะนั้นอะเรียกว่ากล้าสละสิ่งที่ตัวเองติดใจได้ซึ่งสิ่งนั้นเป็นบาปเป็นอาุศสนนั่นแหละเป็นสัมมประทานข้อที่หนึ่งนะกล้าละบาปสองระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นในใจอะ่ะนั่นแหละเรียสังวรประทาน สังเวชเลปัจจัยอะไรบ้างที่จิตไม่ให้มันเป็นบาปนะกล้าที่จะเจริญปัจจัยเหล่านั้นเหล่านั้นนหรือเพียรละบาปอากุศลที่มันเกิดขึ้นในจิตใช่ไหมสมมติกําลังฟังเพลงอยู่เพราะๆเลยเนี่ยกุศลธรรมมันนึกถึงปุ๊บนี่อกุศลจิตอันนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อเกิดในอบายนะถ้าถ้ากล้าที่จะละสภาพจิตที่เป็นวิตกสามนะตามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตก กล้าสละความคิดอันนั้นได้นั่นแหละเรียกว่าคนกล้าคระงคนมีความเพียรพูดถึงว่าสละวิหิงสาวิตกเนี่ยง่ายกว่ากามาวิตกครับเพราะว่าลักษณะของพยาบาทหรือว่าโทสาร น, นั้นเรารังเกียจอยู่แล้วแล้วเราเห็นโทษไ ม, ไม่แ น, น, นกก่น่ครันทุกกานสมมติะนะคนอื่นมาปาดหน้ารถเราแปา๊เนี่ยกลา้าไหมที่จะไม่โกรธเขาอะ่ะ มันผิดอ่ะค น, นเขาโกรธไปแล้วอ่ะใช่ไหมคือบางคนเนี่ยยินดีที่จะโกรธต่อไปนะเราต้องไปต่อว่าเขายังกันจังกันงกถึงบางทีนะก็นึกถึงชั่วนึกถึงดีอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะกางกั้นไอ้ความคิดอันนั้นได้จะต้องต่อว่าให้มันสะใจเลยนั่นแหละเราไม่กล้าสละความคิดอันนั้นอ่ะไม่กล้าสละวิตกอันนั้นแหละเรียกว่าคนเกียดครา น, นะคนเกียดครานในศาสนาก็คือคนที่ไม่กล้าสละ บาปอกุศลที่มีอยู่ในสภาพจิตแล้วก็คนเกียรติค้าในอย่างหนึ่งนะกุศลมันเกิดระดับนี้ไม่คิดเพิ่มพูนกุศลนั้นนั้นอะ่ะไม่คิดจะเพิ่มพูนให้มันมากขึ้นเขาเรียกว่าคนขี้เกียรอย่างหนึ่งเหมือนกันหรอไม่กล้าเพิ่มเมตตามัะนเถอเชิญบางไม่กล้าเพิ่มเมตตาไม่กล้าเพิ่มกุศลธรรมอะ่ะกา้ากระัดสินห้าก็อยู่ห้านั่นแหละไม่กล้าเพิ่มมาแปดเลยอย่างเงี้ยนี่ก็ยังไม่เพียนมากเท่าไหร่อะแต่ก็ไม่ถึงขี้เกียรติแล้นะแล้วก็เพี้ยนิีก เยอะๆขึ้นกว่า น, นั้นเองนะเพียรที่จะเจริญกุศลให้มันเกิดขึ้นเช่นมรรคกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยก็บอกว่าพระสมัยก่อนนะในคำพีท่านกล่าวไว้ร้ายฉันจะบรรลุวันนี้นะความคิดของท่านเหมือนกับวันนั้นเนี่ยท่านจะต้องบรรู้อริยสัจวันนี้แหละจะต้องแจมแจ้งอริยสัจวันนี้ท่านคล้ายๆกับสมาทานจิตประเภทนี้บ่อยๆมากก็บอกว่าคนที่ไฟไหม้บนศรีรษะผลัดวันประกันพุ่งไหม ท่านเหล่านี้เนี่ยเจริญมรณานุสติท่านตา ร, รบถึงความตายเนี่ยแค่คําข้าวชั่วคําเดียวท่านจะมีชีวิตอยู่แค่คําข้าวคําเดียวนี่นะจะไปปล่อยให้จิตไปคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าไม่รีบลักยิเลตตรงนี้ไม่รีบเจริญคําสอนขนาดนี้โอกาสแบบนี้จะมีอีกไหมเพราะท่านได้ขนาดแล้วใช่ไหมหนึ่งท่านเกิดในพระพุทธเจ้าเกิดแล้วสองมีพระธรรมสามท่านเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่ได้โดย ย, ย่าอีกอย่างหนึ่งท่านบวช แล้ท่านจึงพอกทูลเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นในที่สุดท่านเหล่านั้นก็ได้ดีกันเยอะอย่างเช่นพระที่ขึ้นเขาขาดโดยความรู้ความเข้าใจองค์ที่หนึ่งที่ขึ้นเขาขาดเป็นพระอระหันต์อนุเทระเป็นพระอนาคามีองค์ที่เหลือก็เช่นพระผาหิยะยท่านเหล่านั้นก็เป็นคนที่ใจใจเด็ดเดี่ยวมากจิตใจของเขาเด็ดเดี่ยวแปลว่ากล้าที่จะสละความโลภได้และใช้คาว่าโลภเราก็ เมดีนะมันไม่ดีจริงๆอะโลภอะโลภะ บ, บาปทั้งนั้นแะกล้าที่จะสละความเพลิดเพลินแห่งจิตได้ไหมจิตที่ไปเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสและโภตพพะคนที่กล้าสละแบบนี้แหละเรียกว่าคนมีความความเพียรความพยายามเอา น, นะว่าเมื่อคืนก็ได้กล่าวถึงเรื่องของไตรสรณคมวันนี้ก็อุปมาเรื่องของไตรสรณคมต่อไป บอกว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเปรียบเหมือนผู้ประทานทรัพย์สพระธรรมก็เหมือนกับทรัพย์พระสงฆ์ก็ผู้ได้อริยทรัพย์มาโดยชอบเปรียบเหมือนชนผู้ได้ทรัพย์ตามที่ประสงค์คนที่รับมรดกนี้เขาเรียกว่าอะไรโยาทาญาตใช่ไหมนั่นแหละพระสงฆ์ก็เป็นเหมือนกับทาญาตของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น หวังเสมอว่าทําอย่างไรสงสาวกของพระ อ, องค์ทั้งหลายคือคําว่าสาวกหมายถึงบริษัททั้งสี่นั่นแหละจะเป็นทายาทโดยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าทายาทโดยธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่นี้ก็คือโลกุตระธรรมนั่นแหละพระาหุนไปขอสมบัติพ่อพระนาพิมพาเนี่ยหลังจากที่พระผู้มีพระภาคบวชได้เจ็ดพรรษาก็บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ สเสด็จมาโปรโดที่เมืองกบิลพัทพระนาพิมพาหรือยโสธรานี่ก็แนะนําลูกอ น, นะสมณะที่มีคิ้วโค้งโค้ ง, คงที่เดินข้างหน้านําหน้าสมณะทั้งหลายนั่นแหละเป็นพ่อของลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อของลูกเนี่ยนะมีขุมทรัพย์อยู่ตั้งแต่พ่อของลูกออกบวชนี่แม่ไม่เคยเห็นเลยคือพระโพธิสัตว์เนี่ยพอประสูติปั๊บมีขุมทรัพย์สี่ขุมเนี่ยขุดขึ้นมาเป็นขุมทองอ่ะคือเพื่อที่จะเป็นสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดิอ่ะ ทีนี้พอออกบวชแล้วขุมทรัพย์เหล่านี้หมดหายหมดเลยทีนี้ก็จยกให้ลูกเนี่ยไปขอพระราหุนก็ไปเลยสมณะอ่าขอไปขอมรดกพ่อก็ขอไปเรื่อยพุทธเจ้าก็เดินไปเรื่อยก็เดินตามไปเรื่อยก็บอกคนที่ติดตามพระผู้มีพระภาคไม่มีใครกล้าเรียกกลับก็ติดตามไปเสร็จแล้วพอไปถึงวัดบอกเออเขามาขอทรัพย์เราแล้วเราควรจะให้ทรัพย์แต่ให้อาริยะทรัพย์พระราหุน อ่าภาษารีบุตรราหุลบุตรก่อนหัวบวชเลยเสียใจกันยกใหญ่เลยนะพระเจ้าสุดโทธนะเนี่ยเสียใจมากคือทีแรกก็นึกว่าพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิใช่ไหมพอพระองค์บุตปั๊บก็เสียใจแล้วก็นึกยังไงก็ยังมีนันทะอยู่พระนันทะจะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดินันทะออกบุตรอีกก็หวังว่าสุดท้ายก็คือพระราหุลน่าจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอพระราหุลบวชเนี่ยใจเนี่ยละห้อยเลยขนาดเป็นพระโสดาบันได้ไง ก็ยังเสียใจอยู่นั่นแหละเสร็จแล้วก็พระ อ, องเขาบอกว่าพ่อแม่จะต้องอนุญาตก่อนจึงจะบวชได้ก็เลยพระเจ้าสุโธทนะก็เลยขอพุทธานุญาตอันนี้เอาไว้นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระุู้มีพระภาคก็เลยประทานอาริยทรัพย์ให้แก่พระราหุลโดยการบวชนั่งกับเป็นสัมมณี น, นแล้วท่านเป็นพระเป็นสมัมมณีที่ใคร่ในการศึกษามากพอพรรษาแรกคือบวชได้สิบสามปีท่านจึงได้บรรลุเป็นพระราหัน นนขนาดพระราหุลนะ่ะตื่นเช้ามาเอามือเนี่ยกอบทรายขึ้นมาขอให้ได้ศึกษาพระพุทธพจน์ขนาดเนี่ยอธิษฐานอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันเนละตั้งสิบกว่าปีจึงจะได้บรรลุมรรคผลท่านเป็นผู้ที่มีฉันท่าในการเรียนการศึกษามากนะเป็นพระเออเป็นสัมมณีนที่ว่าง่ายไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองและเป็นคนที่มีศรัทธา ม, มากท่านอายุตั้ง20แล้วจึงจะได้บรรลุเป็นพระอารหันต์นั่นแหละอันพระ อ, องค์ก็ได้ประทาน อริยทรัพย์ให้แก่แก่พระราหุลฉะนั้นข้อความในธรรมธายาสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญนาตพระองค์กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียบพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระพุทธพจน์แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมธายาตอย่าเป็นอามิธธายาตของเราตถาคตเลยเราตถาคตมีความอนุเคราะห์ในเธอทั้งหลายอยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมธายาต ไม่เป็นอมิทยาตดูการพิสูจทั้งหลายก็เธอทั้งหลายจะพึงเป็นอมิทยาตไม่เป็นธรรมทายาตของเราตถาคตข้อที่เธอทั้งหลายเป็นอมิทยาตไม่เป็นธรรมทายาตของเราตถาคตนั้นจะพึงเป็นเหตุให้ถูกวินยูชนติเตียนเอาได้ว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาพากันเป็นอมิทยาตไม่เป็นธรรมทายาตอยู่ ถึงเราตถาคตก็คงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าสาวกของพระศาสดาเป็นอามิทยาตไม่เป็นธรรมทายาตอยู่ดังนี้ดูก่อนพิสูุนทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายพึงเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอมิตทยาตของเราตถาคตไซ้์แม้เธอทั้งหลายจะไม่พึงถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาต ไม่เป็นอมิธายาตอยู่ถึงเราตถาคตก็คงไม่ถูกวินยูชนติเตียนว่าสาวกทั้งหลายของพระศาสดาเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอมิธายาตอยู่ดูก่อนพี่สูทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาตของเราตถาคตเถิดอย่าได้เป็นอมิธายาตเลยเพราะตะถาคตมีความอนุเคราะห์ในพวกเธอทั้งหลายอยู่ว่า ทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราตถาคตจึงจะเป็นธรรมะทายาทไม่เป็นอมิตรทายาทพระผู้มีพระภาคหวังอยู่เสมอใช่ไหมว่าอยากให้สาวกเป็นธรรมทายาททีนี้คําว่าธรรมะทายาทนั้นมีความหมายขอบเขตอย่างไรนั่นอะไรข้อความในปปานจัตสูธนีอัตถกถามัชชิมนิกายมูลปัญธาต กล่าวว่าในพระสูตรนั้นพระดำรัสที่ว่าดูก่อนพิสูดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาธของตถาคตเถิดอย่าเป็นอมิธทายาธเลยดังนี้มีคาอธิบายว่าดูก่อนพิสูดทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเป็นทายาธแห่งธรรมของตถาคตเถิดอย่าเป็นทายาธแห่งอมิตรเลยคือธรรมะของตถาคตอันใด ขอเธอทั้งหลายจงเป็นผู้รับไว้ซึ่งธรรมะอันนั้นเถิดส่วนตถาคตมีอมิตรใดแลขอเธอทั้งหลายอย่ารับซึ่งอมิตรนั้นเลยนั่นแหละคือพระองค์เนี่ยไม่อยากให้เราเนี่ยได้รับอมิตรทายาตคือไม่อยากให้เป็นอมิตรทายาทในพระดํารัสนั้นธรรมะมีอยู่สองอย่างนะคือธรรมะทายาตเนี่ยนะคำว่าธรรมะตรงนี้มีอยู่สองอย่างคือโดยตรงกับ โดยอ้อมเขาเรียกว่าโดยนิ ป, ปริยายกับโดยปริยายนะฝ่ายอามิตรอมิตรก็มี2 อ, อย่างก็คือโดยตรงกับโดยอ้อมโดยปริยายกับโดยนิ ป, ปริยายก็บอกว่าโลกุตระธรรมทั้ง9อย่างแยกประเภทเป็นมรสีผลสีนิพพานหนึ่งชื่อว่าธรรมะของพระผู้มีพระภาคโดยตรง แม้แต่คําสอนในพระไตรปิฎกก็เป็นคําสอนเพื่อชี้อะไรชี้โลกุตระธรรมเป็นคําสอนที่กล่าวส่วนแห่งมรรคผลนิพพานส่วนใดนะเคยส่วนมนนะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคที่เป็นพระประยะิยัติธรรมก็เป็นคําสอนที่ชี้ไปที่อริยมรรคอริยผลและนิพพานอั้นทุกสูตรนี้พระผู้มีพระภาคนั้นประสงค์อยู่เสมอว่าทำชะไหยสัตว์ทั้งหลายจะถึงนิพพานนั่นแหละ นบอกว่าคือธรรมะที่ผู้ปฏิบัติให้บังเกิดผลกับตนได้โดยตรงทีเดียวไม่ใช่เป็นธรรมะโดยอ้อมคือโดยเหตุหรือโดยเลสอะไรอันโลกุตระธรรมเนี่ยตรงจริงๆเลยนะเพราะองค์อยากให้สาวกทั้งหลายเนี่ยถึงอย่างนั้น